อานั่งได้ที่แล้วก็กําหนดสติเดออาณาปานสตินี่แหละเป็นการภาวนาแบบพระพุทธองค์วิธีภาวนาแบบพระพุทธองค์อาณาปานสติแต่ว่าอาณาก็แปลว่าลมหายใจเข้านั่นแหละปานะก็แปลว่าลมหายใจออกสติก็ แปลว่าระลึกรู้เอาสติมาระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเอาสติมาตั้งไว้ที่จั ง, งอยปากเนี่ยนะสั้นดังไปจะหมกเนี่ยเพื่อนเอินลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ต้องรู้ออกชัดๆเข้าชัดๆนะให้มันชัดๆสติจิตเราจึงไม่ไปไหนเมื่อเรา สามารถคุมเอาสติคุมจิตมาให้รู้อยู่กับลมหายใจได้มันก็เป็นอันว่าเราสําเร็จสม ถ, ถะเนทะ่านั้นได้สมถะอสติของเราก็เปรียบเสมือนเชือกนั่นแหละจิตของเราก็เปรียบเสมือนกัวเสมือนควายนั่นแหละอยู่ในฟูงมลมหายใจก็เปรียบเสมือนหลัก เอาสติไปผูกเอาสั์เอาวัวเอาควายนั่นละมาผูกไว้ที่หลับจับใหม่ใหม่มันดินแห้งเลยเด้ใครเคยคนเท่าคนแก่เคยเห็นผูกใหม่ใหม่นี่โว้ยดิ้นแรงดิน้นลอดล้มลอดใจยนะัเคยเป็นอิสระเสรีภาพแล้วคนไปคล้องไปจับอามาลิงข้างก็เหมือนกันนั่นแหละ วัวควายก็เหมือนกันนหละจับมาใหม่ๆผูกใหม่ๆโอ้ยดิ้นแรงดีไม่ดีมันจะชนเรานั่นล่ะจิตของเราก็เหมือนกันผูกใหม่ๆจับใหม่ๆเมื่อจับได้แล้วก็เอามาผูกให้อยู่ถูกใส่ลักลักให้แน่นฝังล่งให้แน่นลักมันนะอ่ะลักบุคคลมาหลุมเชือกบวขาด มัมือนก็นนวดเฝาลักษ์แต่เลียมแหมบๆนี่มันนะจับได้แล้วก็เอามาฝึกตฝึกแล้วก็เอาไปใช้งานเท่านี้จิตเราก็เหมือนกันเมื่อจับได้แล้วก็เอามาฝึกฝึกแล้วก็ใช้จิตของเราทำงานใช้มันขายกิเลสมันเท่านี้นใช้ขายกิเลสใช้งานเอามาใช้งานเมื่อฝึกได้แล้ว ฝึกให้มันเข้าสมาธิออกจากสมาธิฝึกให้มันเข้านานๆออกเข้าอยู่ในยังไงก็ได้ฝึกไปฝึกมาชํนานาญของแคล่วของใบก็เอาจิตออกจากสมาธิแล้วก็เอาจิตไปใช้งานงานฆายกิเลสกิเลสเอาไปฆ่ากิเลสเอาเป็นอาวุธเอาเป็นปัญญาเอาเป็นอาวุธไปฆ่ากิเลส กิเลสมีมากมายหลายอย่างย่นย่อลงมาท่านเรียกว่าสังโยชน์นั่นละกิเลสบุญกิเลสก็คือสังโยชน์นั่นแหละสังโยชน์คือกิเลสดึงรัดมัดสัตว์ให้ติดในภพในชาติไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละกิเลสสังโยชน์นั่นแหละคือกิเลสสังโยชน์คือกิเลส เคยได้ยินไหมล่ะสังโยชนะสังโยชน์สิบอย่างไม่ได้เอาบรรจุเข้าในหมวดสิบใ น, นสังโยชน์ส0บสังโยชน์คือกิเลสหนึ่งรัดมัสส์ในติดอยู่ในภพในชาติไม่มีที่สิ้นสุดมีอยู่สิบอย่างหนึ่งสั ก, กยะทิฏฐินี่แหละสองวิกิกิจชาสามศิลพัประมาท สีกามลาคะหปฏิฆะหอย่างนี่ท่านเรียกว่าสังยชน์เบื้องต่าภาษาบาลีก็เรียกว่าโอลัภาชียะสังโยชดสังโยชน์เบื้องต่าขึ้นไปอีกสังเบิดเบื้องบนก็มีอยู่ห้าเหมือนกันเรียกว่าอุทธรรมภาชียะสังโยดได้เกลูปลาคะอรูปลาค ะ, าาคะมานะอุทจจะ อวิชชาอุดชั่กุกุจจะอวิชชาห้าอย่างนี้เรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนเรียกว่าอุทธรรมภายคียสังโยชน์มันแยกออกที่ท่านเคยตัดว่ามรสีผลสีนิพานหนึ่งก็ไปจากนี่แหละมรสีผลสีมร ก, ก็คืออะไรล่ะมรไม่เละ คือเครื่องฆ่ากิเลสกิเลสก็มีอยู่สิบอย่างนี่แหละเอาเอาอะไรมาฆ่ามันเอามัดมักมาจากไหนล่ะรู้จากไหนละมักนมักก็ได้แก้มักแปดมันแล้วศีล ส, สมาธิปัญญาทานศีลภาวนาถ้าเป็นของญาติโยมกรวว ا หญาติโยมส่วนพระสรงองค์เนนก็ศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยนะมัดไม่ลมันมีอยู่ มักสี่ผลสีที่ท่านกล่าวไว้นั่นนะมักสี่ก็ได้แก่โซดามักคู่หนึ่งโซดามักโสดาผลคู่หนึ่งสกิทาคามีมักสกิทาคามีผลคู่หนึ่งเป็นสองแล้วมักสี่ผลสี่อานาคามีมักอานาคามีผลอีกคู่ที่สาม อะะหั ต, ตมักอะะหัตตผลคู่ที่สี่เรียกว่ามักสี่ผลสี่เมื่อจบมักสี่ผลสี่ก็เป็นนิพพานเท่านั้นเข้าถึงนิพพานนิพพานหนึ่งผู้ปฏิบัติก็หวังอันนี้แหละหวังบุญหวังกุศลหวังจะเข้าสู่มักผล น, นิพพานนี่แหล ะ, ะมักมักของพระโสดาบันก็เคยแสดงให้ฟังแล้ว พระโสดาบันก็ต้องละสังโยชน์ได้สามอย่างคือสักยทิฐิวิกิกิจฉ า, าศิลพัฒประมาทพระสกิทาคาก็ละสังโยชน์สามเหมือนพระโสดาบันแต่ไปทำให้กรมลาคะปฏิฆะเบาบางลงเพิ่มเติมอีกแต่ไม่ให้ขาดเรียกว่าสกิทาคามีส่วนพระนาคามีก็ไปละกรมมะ ราคาปฏิฆะดับหายขาดลงได้มันเป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้เรียกว่าพระอริยะบุคคลสี่จำพวกนี่มันถึงไมถึงมีหลายจำพวกแค่ก็เพราะว่ามัดเป็นเครื่องค่ายกิเลสหยาบละเอียดต่างกันพระอริยะบุคคลจึงมีหลายขั้นให้เข้าใจอย่างนี้นะ ส่วนผ้าลังหันก็อ่อนแล้วนดับตัวนั้นนะ ร, าารูปราาลาคะอรูปรลาคะรากะไปว่าความยินดีพอใจนั่นนะ่ะรูประลาคะความยินดีพอใจในฌานรากะไปว่ายินดีพอใจไปในรูปฌานเห็นว่าฌานเป็นมีความสุขติดสุขในฌาน หลงว่าชาญนเป็นเราเราเป็นชาญนชา้นมีอยู่ในเราเรามีในชาญนเอกเรียกว่ า, า, ารูปราคาอรูปราคาก็ไปติดอยู่ในอรูปชา้นหลงว่าชา้นอรูปชั้นมีความสุขความสบายว่างโลง่งสว่างสวยหลงว่าเป็นพระนิพพานแล้วได้พระนิพพานแล้วจึงไม่ดำเนินเดินต่อไปอีกเดินมักต่อไปอีก นะครับไปติดอยู่เตะตัวกูตัวเรานี่ยตัวมานะเนี่ยเราดีกว่าเขาเราเจ๋งกว่าเขาเราเสมอเขามานะที่ท่านว่ามานะเก่าสามอย่างแนะสามสามสามเก่านอกนั้นก็ไปติดอยู่อุทธาจารความพงซ่านพงซ่านเป็นธรรมไม่ใช่อุทธาจารกูกูจาในนิวรณ์ธรรมห้านะ อันนั้นเป็นฟุ้งซ่านเพื่อจะออกนี้เพื่อจะสึกพระจะไปนั่งอยู่คิดว่ามันรวยมันได้เงินเดือนเท่านั้นเท่านี้คิดออกไปอนนันฟุ้งซ่านไปอันอีกอย่างหนึ่งฟุ้งซ่านไปกิเลสอันนี้ฟุ้งซ่านเพื่อจะฆ่ากิเลสอุทธิจักในตัวที่เก่าเนี่ยสุดท้ายก็อภิชาทนะอืมนี่แหละสังโยติบมีอยู่สิบอย่าง พระโสดาบันต้องละสังโยชน์สามอย่างได้เดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนพระอะไรอยู่นะละอะไรได้บ้างแล้วพรนะสโสดาบันละสังโยชน์สามจักระยะทิฐิวิกิจฉาศิลปัณฑ์ปรมาทเอาอะไรมาละเอามาฆ่าเอาศรัทธาเอาศีลเนี่ยเอาปัญญาเนี่ยมาฆ่าง่ายๆนี่แหละอื นี่แหะมรรคมันเป็นอย่างนี้พระโสดาบันจึงแบ่งออกเป็นสามประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสัตตกคตุปลมะสัตตะสัตตะมาจากสัตตะแปลว่าเจ็ดพระโสดาบันองค์นี้เป็นผู้มีศรัทธามีศีลศีลอริยกันต์ศีลศีลกุศลกรรมโมบสิบผู้มีศีลห้าก็เอากุศลกรรมโมบสิบมาบวก เราก็ได้เป็นพระโสดาบันองค์แรกหากจะกลับมาเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติเข้าสู่พระนิพพานท่านเรียกว่าสัตตะสัตตักขตุปรมะสัทธาเลื่อมใสไม่บันไว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้มีศีลกุศลกรรมาบดหรืออริยกันตะศีล เป็นผู้ที่มีกายดีวาจาดีใจดีก็เดียวกันนั่นแหละอริยะกันแต่ศีนี่แหละมันจะไปฆ่าศีลพัตปละมาดศรัทธานี่จะไปฆ่าความวิกิจฉาความโลเลสงสัยตัวศีลก็จะไปฆ่าศิลพัตปละมาดทำสองอย่างศรัทธาเกิดขึ้นศีลเกิดขึ้นวิกิจฉาความโลเลสงสัยศิลพัดปละมาดก็ตายไปง่าย อ่เป็นได้หรื อ, อยังอะไเนี่ยฮะมานั่งเฝ้าอยู่นี้่านั่งเฝ้าอยู่นี่อ่ามันเป็นได้หรื อ, อยังศรัท ธ, ธาหรื อ, อยังเขามาจ้างออกหนีจากศาสนาพุทธทิไปว่าจ้างบางล้านนึงเนี่ยฮะศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาของเขาศรัท ธ, ธาทบาบังนุน่นนุ่นนวลางอยู่เฉยเฉยไม่เป็นไรแต่มีลมมาพัดมันก็ปลิวไปตามลม เขาเรียกว่าเบาเหมือนมันนุ่นมีคนมาชวนไปนับถือศาสนาอื่นเขาให้เงินให้ทองไปก็นหนีไปนี่ศรัทธาไม่เน่นหนาอาจรยลศรัทธาอาจรลศรัทธาไม่เน่นหนามันคงเขาชวนไปไหนก็ไปศรัทธามันหนาแน่นหนามันคงอจรยลศรัทธานะเราไม่แน่นหนามันคง เขาจังหาแสนให้ไปนับถือศาสนาอิสลามไปอ้ยอยจ่อยเขาจังหาเงินไปนับถือศาสนาคิดไปอ้ยอยจ่อยอ่าตัวนี้แหละตัวศรัทธานี่แหละตัวศีลนี่มันเป็นอย่างนี้ที่นี่พระโสดาบันองค์สุดท้ายก็เอาปัญญาปัญญามาฆ่าสกฤตทิฏฐิองค์ที่สองไม่องค์ที่สอง องค์ที่สองเรียกว่าโกรังโกละหากท่องเที่ยวในโกรังโกละอยู่ในมนุษย์หรือสวรรค์ไม่เกินสองชาติสามชาติก็เข้าสู่พระนิพพานในภายภาคหน้าพระสดาบันองค์นี้ก็ต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมชาติเห็นธรรมดาอย่างที่เราสวดอยู่ในพระสูตรเมื่อกี้นี่แหะเพราะพระพ อ, องค์ตัดพระสูตรลงเมื่อจบพระายากรัญญาก่าดวงตาเห็นธรรม ได้เป็นพระสงฆ์องค์แลของโลกเห็นยังไงเห็นธรรมดาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายดับไปเป็นธรรมดาเห็นเกิดเห็นดับนี่แหะจึงว่าเห็นธรรมดาเกิดแล้วดับนี่แสดงว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังนี่มันไม่เที่ยงนั่นเป็นทุกขังสั่งไม่ได้ว่ามันเกิดมันดับก็เป็นอนัตตา เพราะไม่มีเจ้าของมีตัวตนอยู่ในนี่เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาที่เราสวดไปมเมื่อกี้ยังจินจิสมุทยะธรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติแปลว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นธรรมดาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา หรือจะพูดให้เห็นง่ายๆก็คื อ, อเราทำไมถึงแก่ฮะตั้งแต่ก่อนเราเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยอยู่ทำไมถึงมาแก่ถึงขนาดนี้ก็เพราะมันไม่เที่ยงนัง่นแหละใช่ไหมหลังฮะมันไม่เที่ยงมันถึงแก่ถ้ามันเที่ยงก็เป็นเด็กคือเก่าอันนี้มันแก่ น, นะเรามีความแก่เป็นธรรมดานี่ยคือมันเป็นอนิจจังนั่นแหละมันไม่เที่ยงนั่นละ่ะ ทุกขังอนณตตาบอกไม่ได้อย่าแก่นะอย่าเท่านะอย่าหัวงอกนะอย่าไอเขานั่นฟันอย่าล่วงนะเวลาเยี่ยมบอกไม่สวยนั่นแหละบอกไม่ยาด่าไม่ฟังมันก็แก่เป็นธรรมดาเนี่ยยังสวดทุกวันวันนี้ก็พาสวดเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาทำไมถึงเจ็บไข้เะเรามีความตายเป็นธรรมดาน่ะนะ นั่นล่ะมันไม่เที่ยงมันมันตายมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติดวงตายเห็นธรรมเห็นเห็นไม่เที่ยงเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาองค์นี้ก็โปรงตกปรงสลดสังเวชหัวมันงอกก็ธรรมดานนัห้ามไม่หยาด่าไม่ฟังมันงอกเองของมันมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันถึงงอก ถ้ามันเที่ยงมันก็ดำอยู่คือเกลว์หงอกเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาเจ็บไข้เป็นธรรมดาองนี้ก็เห็นใตลักยานเห็นลักษณะสามหรือสามัญลักษณะลักษณะทั่วไปของสังขารเขาเรียกว่าสามัญลักษณะสังขาร น, นี่ต้องตกอยู่ภายใต้ธรรมชาติ กฎธรรมดานีสังขารในโลกนี่ยตกอยู่ในใต้กดใจลักยานคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเขายังเรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะทั่วไปของสังขารมันจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ยนี้อง์นี้ดวงตาเห็นธรรมดา ปล่อยทิ้งไปกับธรรมดาไม่ตรองไปแก้ไขธรรมดามันแก้ไขไม่ได้หรอกเข้าใจไหมล่ะเนี่ยองนี้ดวงตายเห็นธรรมไม่ลูก ค, ความในวันทางถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเองเกิดขึ้นเองเป็นไปโดยตนเองไม่มีใครสร้างสรรค์ดัดแปลงแก้ไขไม่ได้โ ห, โ ห, โหัวหงอกจะแก้ว่าใดแข่โลนแก้ว่าใดเท่าแก้ว่าใดตายแก้ว่าใดมันเป็นธรรมดาอย่าไป วางซะปงซะวางเป็นธรรมดาเนี่องนี้ดวงตาเห็นธรรมไม่ลูกคำในหนทางหากจะมาเกิดอยู่ในมนุษย์หรือสวรรค์อีกโกลังโกร่าอยู่นี่ไม่เกินสองชาติสามชาติก็เข้าสู่พระนิพพานในภายภาคหน้าอืง่ายไหมล่ะทีนี้พอพูดจบก็สำรวจเจ้าควองดอูดวงตาเห็นธรรมหรือยังวางได้หรือยัง หัวงอกเลยไปยอมมันอีบวะะนั่นละธรรมดาปล่อยไปเป็นธรรมดาปงไปปงตกนันเป็นอยู่เช่นนั้นเองมันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้องค์นี้หากกลับมาเกิดสองชาติสามชาติก็ไปพนิพานในภายภาคหน้าองค์สุดท้ายเอกพิชีอง์นี้เริ่มตั้งแต่องคแรกมานั่นล่ะศรัทธา ศีลแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เกิดปัญญาละสักยทิฏฐิได้ยังง่ายๆแค่นี้นะสำรวจเจ้าของดวงตาเห็นธรรมถ้าก็ได้เป็นพระโสดาบันองค์นี้ถ้ามาละความเห็นผิดใดละสักยทิฏฐิได้ก็ได้เป็นพระโสดาบันองค์สุดท้าย หากจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เพียงชาติเดียวก็เข้าสู่พระนิพพานอืมนี่แหละเขามาปฏิบัติปฏิบัติให้รู้ให้รู้จักทมจากวิในทำวินันนี่แหละเป็นเครื่องฆ่าจิเลตนี่เรียกว่ามัชผลนิพพา น, นมาปฏิบัติอยู่อย่างนี้ต้องมาปฏิบัติตัวเจ้าของให้เป็นพระโสดาบัน องนี้ก็จะว่าเห็นกายโยสักกายโยเป็นว่าความเห็นกายความเห็นว่ากายนี่แหละเป็นตนจึงเรียกว่าสักกายโยความเห็นมาก่อนสกุลกายเนี่เป็นตนเป็นเล่าเป็นเขาเป็นสัดบุคคลตัวตนเล่าเขานี่แหละเรียกสักกายโยเข้าใจสักกายโยบ่ ความเห็นว่ากายนี่แหละเป็นตนเป็นเราเป็นเขาโดยอัตตะสัญญานั้นอัตตะสัญญาอัตตานี่อัตตาตัว ต, วตวนนี่สัญญาความจำดได้หมรู้สัญญาเอามาจากไหนมาจากสมมุติบรรยัตที่โลกเขาตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาเรียกก้อนสกุลกายนี่เลยว่า อัตตาตัวตนเนี่ยอัตตสัญญาเนี่ยมาเรียกว่าตนมาเรียกมาสมมุติว่าตนเนี่ยสัญญาก็คือสมมุตินี่แหละนี่สัญญานี่อัตตะก็คือตนสัญญาว่าจําสัญญาว่าตนว่าเราว่าเขานี่แหละเขามาตั้งสัญญาตั้งชื่อตั้งสัญญาตั้งชื่อสมมุติบัญญัติขึ้นมาเรียกก้อนสกลกายนี่เรียกว่า สัตบุคคลตัวตนเราเขาจึงเรียกว่าอัตตาสัญญาสัญญาแห่งความจำได้ไม่รู้ที่โลกเขาสมมุติบัญญัติขึ้นมาว่าเป็นอัตตาตัวตนเราเขาเนี่ยจึงเรียกว่าอัตตาสัญญาเราจึงมาหลงนี่แหละหลงว่าก่อนส ก, นกลไกนี่เป็นอัตตาตัวตนจริงๆเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขา ตามโลกเขาสมมติบัญญัติขึ้นมาเป็นสัญญาในอดีตที่เขาตั้งสมมุติบัญญัติขึ้นมาเรียกใช้กันเราก็เลยไปจําเอานั่นละ่ะจำเอาไว้ไม้เอาไว้จำได้ไหมรู้นี่เรียว่าเจ้าของเป็นตัวเป็นต้นเป็นเราเป็นเขาจริงจริงนี่แหละพระโสดาบันตรงนี้พระพุทธองค์จึงให้แยกออกแยก ก่อนสกุลกายนี่ออกให้รู้เห็นตามความเป็นจริงให้เห็นว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตตนๆเราเขากายนี่ก็เพียงแต่เป็นดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณอากาศดินน้ําลมไฟอากาศธาตุห้าอย่างธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟมาประชุมกันอากาศธาตุ ธาตุดินก็คือข้นแข็งอยู่ในนี้ละ่ะธาตุน้ำก็เลี้ยวไหลเอื้ออาบอยู่ในนี้ธาตุลมก็พัดไปมาอยู่ในนี้ธาตุไฟก็ความอบอุ่นอยู่ในร่างกายของเรานี่อากาศธาตุก็คือความว่างอยู่ในก้อนนี้แหละนี่มาอยู่ในก้อนนี่อ่แยกออกดูมีคนไหมหละ่ะดินมีคนไหมธาตุดินธาตุแปลว่าธรรมชาตินะอะธรรมชาติดินก็คือธรรมชาติอันหนึง่งอืม เป็นของกลางไม่มีเจ้าของดินภายนอกก็ไม่มีเจ้าของดินภายในก็ไม่มีเจ้าของน้ําก็เหมือนกันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นของกลางไม่มีเจ้าของน้ําในห้วยในหนองก็ไม่มีเจ้าของหรือ ม, มันมีอยู่ในไร่ในนาเขาเจ้าของเขาเป็นเจ้าของอืน้ําฝนตกลงมาใครเป็นเจ้าของมันไม่มี น้ำภายนอกก็ไม่มีเจ้าของน้ำภายในไม่มีเจ้าของลมไฟก็เหมือนกันให้เราเพิจารณาอยู่นี่กายยังสัตว์แต่ว่าที่เขามาตั้งชื่อว่ากายก็สัตว์แต่ว่าดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเขา้าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ละความเห็นผิดแต่ก่อนเราเห็นว่ากายนี่แหละคือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่อืม พอเรามาแยกออกกายก็สักแต่วิ่นน้ำดิ่นน้ำลมไฟมาประชุมกันต้องให้เข้าใจอย่างนี้ทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แต่ก่อนเห็นว่าก่อนสกุลกายอ่าก็ลงไปเถียวิญญาณคือใจนั่นแหละทีนี้ใจก็คือธาตุรู้ธาตุก็คือธรรมชาติอันหนึ่งไม่มีเจ้าของนะธรรมะเป็นของต่างนะ ไม่มีเจ้าของนะธรรมชาติเป็นของกลางต้นไม้ในป่านี่เป็นของผู้ใดฝนตกลงมาน้ำอันนี้เป็นของผู้ใดธรรมชาติมันมันเป็นของกลางไม่ใช่ของใครของเราเป็นของสากลมารวมเขา้าเขาเรียกว่าสากลกายแต่ก่อนเราเห็นว่าก่อนสากลกายนี่คือขันหานี่แหละดินน้ามลมไฟอากาศสองข้อเรียกว่าโูกวิญญาณสองข้อเรียกว่านา้ําเรียกว่าใจ กายกับใจนี่เรียกว่าขั้นห้าเราก็จำจำอัตถสัญญาในอดีต ท, ที่เขาตั้งชื่อในอดีตว่าตัวตนสัตว์บุคคลมาแต่อดีตจําเป็นสัญญาเอาไว้ว่าตัวตนจริงๆสัตว์บุคคลจริงๆเราเขาจริงๆเมื่อมาแยกออกสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ไม่มีนะนะจึงเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ก่อนเป็นมิจฉาทิฏฐิอ่า พอมาแยกออกดูให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่จะแยกออกคืนหนึ่งวันเดียวมันจะรู้นะแยกออกแล้วก็โยนิโสพิจารณาโดยแยกคายค้นหาขุดหาคุ้ยหาอย่งนั้นสัตว์บุคคลอยู่ที่ไหนตัวตนอยู่ที่ไหนมีเตสมุติบัญญัติขึ้นมาเรียกสัตว์บุคคลเฉยสัตว์บุคคลตัวตนจึงไม่มีให้เข้าใจอย่างนี้วิธีเราก็จะละสั ก, กยทิฐิได้ สกเยทิฐิความเห็นว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันหา้นหามีในตนตนมีในขันห้าย่างละสีละสีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้สี่ห้ายี่สิบความเห็นยี่สิบอย่างเนีเป็นทิฏฐิวิปลิตวิปลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่จริงในขันห้านี้ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนั้นหรอกมีแต่ลูกกนำนามเอิงอาศัยกัน อยู่เท่านี้กายกับใจเท่านี้แยกออกอย่างนี้แล้วไปละมิจฉาทิฐิได้ดับสกฤตทิฐิได้สัมมาทิฐิก็เกิดขึ้นเท่านั้นความเห็นตรงความเห็นถูกต้องเห็นว่ากายสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟถ้าดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเข้าเป็นก้อนแล้วก็เขาก็มาตั้งสมมุติว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เมื่อไม่แยกดูแล้วก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันไม่ใช่สัตว์บุคคลจึงความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นก็เรียกว่าสัมมาทิฐินี่แหละปัญญา จะมาฆ่ามิจฉาทิฐิดับลงสัมมาทิฐิก็เกิดขึ้นนี่ตัวปัญญานี่จะมาฆ่าสักกยทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นว่ากายเป็นตนความเห็นว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้ามีในตนตนมีในขันห้าดับลงนี่แหละพระโสดาบันองค์นี้ก็ลงมาตั้งแต่นนุษและศรัทธา ข่าวิกิจิชาความโลเลสงสัยว่าขันหามีสัตว์บุคคลตัวตนโลเลสงสัยในพระโพธิเจ้าพระธรรมพระสง์ศีลก็มาฆ่าศีลละพัดปละมาทที่ว่าตัวจ่าฆ่าก็มาฆ่าความตันหนีเนี้ยน่นจ่าฆ่าก็มาฆ่ากิเลสความโลภความปวดความหลงนั่นละให้เบาบางลงหาความตันหนีเนี้ยเน่นเบาบางลงตัวศรัทธา ตัวปัญญาก็มาฆ่าสกยตทิฐิเราก็ได้เป็นพระโสดาบันองค์สุดท้ายอ่าเอากับพีเป็นยังพนยังวามาเกิดเป็นชาติเดียวพระโสดาบันองค์นี้เมื่อความเห็นถูกต้องเห็นว่ากายก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัลวตนเราเขาใจก็สักแต่ว่าเขาสมมติตั้งเชื่อว่าใจเฉยๆไม่ใช่สัตว์บุคคลตัลวตนเราเขา กายกับใจมันทำงานยิงอาศัยกันเกิดเมื่อตาเห็นลูกก็คือกายลูกที่เราเห็นก็คือลูกภายนอกตาก็คือลูกภายในกระทบกันวิญญาณเกิดขึ้นก็เรียกว่าขันห้าเกิดถ้าผู้ใดสำคัญตนว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในขันห้าก็ไปอุปทานเอาขันห้าก็เป็นเรียกว่าสมุทยัยเหตุเกิดทุกเท่านั้นถ้าผู้ใดรู้ว่าขันห้า ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นเป็นสมาธิอ่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันจึงจะดับโลกดับอารมณ์ดับสมมติได้มันก็ไม่มีอะไรนะนี่ก็จะมาเกิดเพียงชาติเดียวสุดท้ายถ้าไม่บรรลุตั้งแต่นั่นก็ใกล้จะตายจิตมันจะวางปงสังขาร ว่าสังขารทั้งหลายนั้นตกอยู่ในกฎไตรักยานหรือสามัญลักษณะเป็นอนิจจังทุกครั้งนตัตตาไม่ยินดีไม่ยินลายในขันหาสังขารขันก็ดีกายสังขารก็ดีจิตแต่สังขารก็ดีตกอยู่ในกฎธรรมชาติหมดเวลาจะใจมันจะทิ้งวางโปรงตกอ่า ว่างมันใส่ธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาเราจึงเอาจิตเราไปอยู่นั่นแหละกับผู้ไม่ตายนั่นนหะอืมเราเอาจิตไปอยู่กับสุญญาตากับความว่างเป็นอยู่กับอนัตตานะั้นมันก็ได้พันิพพานในชาตินี้หรือตายเห็นรูปนะ่ก็ไม่ใช่เราเห็นนั่นนะมันจะฝึกอบรมโ่มอมินทรีย์เองได้ไนงะ พระโสดาบันอิอนทรีหกนั่นอบรมบ่มอินทรีเห็นอย่าด่วนว่าเราเห็นพระพุทธองค์ตัดเอาไว้ได้ยินอย่าด่วนว่าเราได้ยินไม่ใช่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในหูในตาดอกในขันห้าดอกวันเราก็ดับความโลภความโกรธความหลงได้ต่อก็เข้าสู่พระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้แล้วพระโสดาบันองค์นี้จึงมาเกิดชาติสุดท้าย เพียงชาตสุดท้ายก็ไปพระนิพพานถ้าไม่ได้ไปตอนมีชีวิตอยู่ตอนใจจะขาดนี่นะมันจะไปพระนิพพานมันจะวางอารมณ์หมดว่างเป็นศูญญตาเป็นอนัตตาหมดไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนยุในในกายในตัวเราสักอย่างนเข้าใจนี่เอกพีชีเกิดชาติสุดท้าย ที่นี่ละสังโยชน์สามได้ที่ว่าสักยทิฏฐิวิกิกิจช้าศิลพัฒน์ปรามาท์นียก็บอกแล้ววิธีทำสามอย่างเกิดขึ้นทำสามอย่างนี้ก็ดับไปศรัทธาเกิดขึ้นตัววิกิจิจช้าก็ดับไปอริยะกันตะศิลนึกศิลกุศลก็มาบทเกิดขึ้นศิลพัฒนปรามาท์ก็ดับไปกิเลสอันนี้ก็ดับไป ปัญญาสัมมาทิธฐิเกิดขึ้นความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นมิชฌาทิฐิความเห็นผิดกอดตายไปเห็นว่าขันธ์เป็นสัตว์บุคคลตัตลวตนเราเขาก็ตายไปกัดฆ่ากันไปอย่างนี้เราก็ได้เป็นพระโสดาบันนี่ละสกฤตทิฐิได้พระสกิทาคามีานเทนี่นี่แหละมรรคมรรคผล ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละจบมัคมัคคือเครื่องค่ากิเลสเราเอามัคมาค่ากิเลสเอาอะไรเอามัคมัค ก, ก็ได้มาจากไหนได้จากศีลสมาธิปัญญานี่แหละมาฆ่ากิเลสสามอย่างดับลงส่วนพระสจิทาคามีนะพอพอฆ่าดับลงนะฆ่าดับลงก็ผลก็เกิดขึ้นเท่านั้น ก็เรียกว่าโสดาปฏิผลโสดามักโสดาผลเท่านั้นผลเกิดขึ้นมักกับผลมันอาศัยอยู่ด้วยกันคือจิตดวงเดียวนี่แหละมักเกิดขึ้นมักนี่แหละจะมาฆ่ากิเลสสามอย่างตายไปก็เรียกว่าผลเกิดขึ้นคือบรรลุปเป็นพระโสดาบันทีนี่พระสกิทาคา ก็ละสังโยชน์สามได้เหมือนกันกับพระโสดาบันนี่มักขั้นที่สองนะแล้วก็มาทากามราลคะปฏิคะให้เบาบางลงแต่ไม่หายขาดกามว่าหนักกามเบาบางลงหังบกขาดมีอยู่กรรมไม่หายขาดกามมาาคะปฏิคะเบาบางลงเปรียบเสมือนต้นไม้เล็ก น้อยเกิดอยู่ใต้ล่มของต้นไม้ใหญ่ไม่เจริญงองามการมะลาข้ไม่เจริญงอ ง, งา ม, า ม, า ม, งงงามปฏิฆะก็ไม่เจริญงอ ง, งามมีแต่เช้าเหี่ยวไปเพราะว่าถูกต้นไม้ใหญ่คุมเอาไว้ต้นไม้ที่เกิดอยู่ในล่มของต้นไม้ใหญ่มันจะดูดเอาอาหารอากาศแสงแดดไปหมดต้นไม้เล็กๆจึงไม่เจริญงอ ง, งามพระสกิทาขาก็ชั้นใด นะต้องละกามลาคะพยาบาทเบาบางลงแต่ไม่ให้ขาดอุปมาอุปไมเหมือนต้นไม้เกิดเล็กๆน้อยๆเกิดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั่นแหละเงาของต้นไม้ใหญ่จะคุมเอาไว้ไม่จะเลือนงางามกามลาคะปฏิฆะไม่จะเลือนเงางามแต่ไม่หายขาดนี่ก็เรียกว่าสกิทา ไม่มักสกัจจทาคามีผลเท่านั้นง่ายไหมล่ะท่านเนี่ยพูดจบลงไปกามหาอหายขาดบอย่งบวใหายขาดแต่เบาบางลงปฏิคะควมืมหึงหวงความพะยาบาทความกระทบกระทันเห้าเบาบางลงบออนนี่สังเกตเจะค้องถ้าเบาบางลงก็ได้เป็นสัจจทาคามี เออทีนี้ขึ้นไปพระอนาคามีนั่นนะมันจะฆ่าดับกามลาคะดับหายไปปฏิฆะเมื่อกามไม่มีมันจะหึงหวงอะไรอีกหวงก็หวงกามนั่นนะเหมือนกับม้าเห่าอยู่นี่แหละมันก็หวงอะไรละมันเห่าอยู่เนี่ยมันก็กับนั่นนะกามลาคะมันปฏิฆะมันยังมีอยู่อ เราก็เหมือนกันแหละมั่งหึงหวงอันนั้นอันนี้อยู่ก็เพราะมีกามอยู่จึงมีปฏิฆะพระอนาคาดดับกามมาาคาได้เพราะพระอนาคานีมาพิจารณาเล็งเห็นกายของเราเนี่นะเป็นของสกรปรกโสโ ค, โครสกรปรกโสโคกพระโสดาบันรู้ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพระอนาคามีก็มาเห็นกายนี่นะ เป็นของอสุภะอสุภะสุพังสุภะมาจากคำว่าโสภาโสภาแปลว่างามแปลว่าสวยแปลว่างามสุภะก็แปลว่าสวยว่างามเมื่อมาเห็นอะเอาอะมาใส่นะอสุภะไม่สวยไม่งามอ่าตรงไหนมันสวยมันงามหลังออนี่แหละเขามาพิจารณาดูกรรมฐานห้าอย่าง หรืกรรมฐานสามสิบสองอย่างได้อย่างกรรมฐานห้าอย่างอย่างได้ยังเอาผมมาพิจารณาดูผมนี่มันสะอาดไหมมันเกิดจากอะไรไล่หาการที่จะมาเห็นอสุภาถ้านั่งอยู่เฉยๆไม่เห็นหรอกอสุภาอันนนนะนะมันนี่แต่ว่ามันสวยมันงามเละเดี๋ยวเห็นขาเหอค้งก็ว่าโอ้ยอ่อนซ้อนตัวว่ามันขาวมันงามไหลมันงามยังไย ต้องหาผมอย่างเนี้ยเอ้าพิจารณาให้มันเห็นอ่ะสุภอะแปลว่าไม่สวยไม่งามสุภาพแปลว่าสวยบางามนี่แหละเขาเรียกว่าแต่ก่อนเขาเรียกว่าโสพาโสเพโสพาก็แปลว่าสวยบางามสุภาพแปลว่าสวยบางามสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่าโสเพณีโสเพณีนี่แหละหญิงงามเมือง หญิงงามเขาเรียกว่าโสเพณีบ้านเท่ากับมเมื่ออื่นกะลีมเมื่ออื่นโสเพนีที่จริงโสพาโสพีบวกนีเข้าไปนีก็คือผู้หญิงกับโสเพณีก็หญิงงามหญิงงามเมืองยอย่างนางซิลีมาอย่างนี้หญิงงามเมืองคนต่างประเทศต่างชาติเข้ามาก็มา จ้างเขาไปนอนด้วยราคาตาราคาตัวสูงหญิงงามเมืองโซเพณีเขาเรียกโซเพณีเรียกหญิงงามเมืองอะสุภาแต่ไม่สวยไม่งามนะทีนะี่เรามาลอกหนังออกดูเอาหนังออกแล้วมันเป็นยังไงพระพุทธองค์จึงให้เราพิจารณาอย่างนี้ลอกหนังอย่าค้องออกเบิง้งมองไหนมันงาม อียังมันติดออกมาใช่หนังน้ำแนบวันลอกหนังเคยเห็นเขาลอกหนังกบหนังเขียดไหมเคยเห็นเขาลอกหนังงัวหนังควายไหมเคยเขาเห็นเขาลอกหนังหมูไหมฮะลอกเหมือนกันนั่นแหละกําหนดสตริลอกลอกหนังออกมาเนี่ยผมก็ออกมาน้ำหนังนั่นแหะขนตาออกมาแล้วยังก็มีแล้วอ่าวายาวาเพลออกมาน้าหนังเหมือนแล้วว่าไม่ยังเหลียวบางบางบัน มองได้สวยได้งามเอาหนังออกแล้วมันเป็นยังไงท่านจึงให้ดูเจสาโลมานาขาทันตาตะโจเนี่ยตะโจแปลว่าหนังนี่แหละลอกหนังออกมาเพิ่งคนก็มาหลงกันหลงที่หนังนี่แหละถ้าจะเอาหนังมาเป็นกรรมฐานไปดูคนตายก็เหมือนกันที่แล่คนขาวๆอยู่วันสองวันมาเป็นยังไงผิวมันะหนังมันนะสีมันไปไหน เปลี่ยนไหมมันเที่ยงไหมอ่าถ้าไม่ก็เอาผมแล้วแต่ใครถนัดนะกรรมาฐานห้าอย่างนี้พระพุทธ อ, องค์ให้เราไปคลี่คายพิจารณาดูให้รู้เห็นตามความเป็นจริงหนึ่งให้เห็นว่าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่ามีเจ้าของ่องให้เห็นว่าเป็นอสุภสุพังเป็นของศกปกปฏิกูลโสโคก พราะว่าผมขนเล็บหนังเหล่านี้ก็เกิดจากน้ําอสุจิน้ําประจําเดือนเกิดจากของเหน่าของเมินมันไหลออกมาทางผมกว่าเมินสาบเมินขาวเหมินไม่สะไม่สางลนลงมาถูกถ้วยปนถ้วยแก้วถ้วยแกงขันน้ําเป็นมันเป็นเมือกเป็นมันไหลออกกล้ากินไหมล่ะกล้าเอาไหมนี่เห็น เห็นเป็นอัศวะไม่ไม่ไมสวยไม่งามหลน่นลงมานี่เอาแต่ผมไปนอนด้วยจะเอาไหมล่ะผู้ชายผู้หญิงเห็นผมกันว่ามันสวยอะอะไรหาหาดูให้มันเห็นว่ามันอัศวะมันไม่สวยไม่งามผมเส้นเดียวก็เข้าถึงพระนิพพานแล้วฟันก็เหมือนกันเวลาฟันยัง สวยยิ้มออกมากว่าน่ารักน่าชมยิ้มตอบกันแล้วเวลาฟันไม่มียิ้ม่อยทีนี้เห็นคนฟันไม่มียิ้มเป็นยังไงเนะคือยังคว้ยยิ่งเข่เนี่ยโอ้ยกขนโซเซเบียอยู่แล้วเห็นแต่หลินเห็นแต่เหลียกไกลมันสวยมันงามตรงนี้แหละมันร่วงมันหล่นออก น่ากอดน่าจูบน่าชมไม่ล่ะที่นี่เงี้ยมองไปนี่แหละเห็นอสุภะนี่ไม่สวยไม่งามจึงเบื่อหน่ายในกายเมื่อเบื่อหน่ายในกายแล้วก็เบื่อหน่ายในกรรมเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเน่าหม็นไหลออกมาจากตัวผู้ชายก็เหมือนกันจากตัวผู้หญิงก็เหมือนกันมีแต่ของเน่าของเหม็นไหลออกจากทวารทั้งเก้านั่นรู้จักทวารเก้าไมหมล่ะ ตาสองไหลออกมาหนะังเขาเอาาิ่นมาขีดตานหนะหูสองไหลออกมาก็เอาาิ่นว่าขีดหูนั่นนะจะมูกสองเป็นหกแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าขีดดังเอาว่าขีดดังฮะไหลออกมาจากขีดดังเอาว่า เ, าเสียวไปแง่งบังบองเห็นคนงามๆสวยๆเขาแก่ขีดดันให้เสียวไปแง่งบ อ, ง <laughs> อนี่อย่างยี่เห็นไหลออกมาจากปากนะ่ะ นำไล่นำเส็ตไลออกมาจากปากขี่ปากขี่เฉานอนวะเนี่ยนะไม่เกี่ยวบังเหม็นคือขี่เนี่ยเขาจังเอินว่าขี่ฟันเนี่ยใดมันบ่เหม็นอยู่นหันถ้าว่านทั้งเต่าเนียวออกมาเหม็นบ่ถนัดถนัดถ้าว่านเบาหอมคือเหม็นเนี้ยววขี่ออกมาถ้าว่านนักเหม็นบ่เนี่ยไลออกมาเนี่ยเพราะว่าขี่แล้วตดเหม็นบ่เนี่ย ที่น่าให้เห็นตามค้อมเป็นจริงอมันมีอะไรจึงเบื่อหน่ายในกายเอาเมื่อเบื่อหน่ายในกายก็คึื่นยากย้กายไปนอนงรวมเพลดกันก็พบไปแล้วไปงา่งกันไปแก้ผ้าให้กันเบื้องนัมันง่ามมงได้แค่ไหนเอาออาอันละจึงเบื่อหน่ายในกายเมื่อเบื่อหน่ายในกายก็เบื่อหน่ายในกรรมจึงดับกรารมมาลาคะได้ ดับกรมมาลาคะได้พระอนาคามีดับกรรมมาลาคะปฏิฆาไม่หึงหวงหอกอวายทิ้งเป็นธรรมดาไปเลยนั่นแหละไม่มีอะไรที่มันหึงมันหวงอยู่ก็เพราะว่าหลงว่ามันสวยมันงามอยู่อมาทาแป่งแต่งตัวให้มันอยู่นี่ก็เพราะว่าจะไปอวดไปอ้างฝ่ายตรงกันข้ามให้คนว่าสวยว่างามเท่านั้น่ะ คนที่เขาดับกรรมมาลาคาได้แล้วเขาไม่ทาแป้งแต่งตัวหรอกแต่งแป้งให้ใครดูใครชมใครดมใครจูบละ่ะไม่มีจึงไม่มีไปเข้าท้องคนอีกถ้าผู้ชายก็ไม่ไปเข้าท้องของคนอีกผู้หญิงก็ไม่ให้คนไปเข้าท้องเจ้าของอีกเบื่อหน่ายหลายเห็นเห็นปฏิกูลโสโครกนี่ดับพระนาคา ดับกามลลาขะปฏิฆะได้ไม่กลับมาเกิดอีกเรียกว่าอนาฆามีถ้าไม่ปฏิปไปพระนิพพานในชาตินี้ก็ไปจยุดตีบนพร ม, มโลกสวรรค์ชั้นพร ม, มโลกนั่นแหละว่า ม, มีผัวว่า ม, มีเมียดอกผู้มีผัวมีเมียอยู่ก่อนนี้หนีออกมาบวช อ, อยู่ว่าได้หาวิธีหนีเกิดเบื่อในนี่ ถัดในคันอย่ของเบือในในลูกในเมียกันนี้เบื่อไม่ในผัวกันนี้ออกมาวันผัวต่ายเมียต่ายเกิดเบื่อายอยู่ในเลิกๆกันละหนีออกมาไปเห็นอสุภะสุพังเห็นไม่สวยไม่งามก็อยากหนีอยากเลิกกันออกไปถ้าอยู่ด้วยกันก็ด้วยความเมตตาสงสารว่าเป็นอยู่เหมือนกับพี่กับน้องกันไม่ใช่ผัวใช่เมียเหมือนแต่ก่อนนะ อยู่เหมือนกับพี่น้องอยู่ร่วมกันไปบ่มีความกำนัดยินดีใน่กายกันสูนกันบ่มีแห้งเหี่ยวขึ้นเขาสู้กันไม่ได้อยากอายสัตว์นะที่มีความมีแห่งมีความกำนัดทำนั้นไม่มีนี่อนาคามีดับกามลาคาปฏิขา ด, ด้วยการพิจารณากายของเจ้าของโดยแยบขายนี่เอง ให้เข้าใจนี่เมื่อดับอันนี้ได้ก็เป็นอนาคามีผลนี่แหละมรคสีผลสีมรคขั้นที่หนึ่งโสดาบันขั้นที่สองก็สกิทาคามีขั้นที่สามก็อนาคามีนี่แหละมรคสีผลสีไม่อยู่ที่ไหนที่นี่มรคผลผลที่สี่ที่เนี่ยอ่า สังโยชน์ดับสังโยชน์ตัวที่ห้านั้นได้ห้าข้อเบื้องบนสังโยชน์เบื้องบนได้ก็สําเร็จเป็นพระละหันมาดับรูปฌานอรูปฌานนี่แหละรูปเวลาค้าคือรูปฌานยินดีพอใจในรูปฌานไม่เห็นว่าฌานนี่แหละเป็นตนตนเป็นฌานฌานมีในตนตนมีอยู่ในฌานฌานก็คือขันขันห้า ก็เห็นขันห่าเป็นตนตนเป็นขันห่าขึ้เก่าละขันห่าเป็นตนตนเป็นขันห่าขันห่ามีในตนตนมีในขันห่ามันละเอียดขึ้นไปอีกรูปชั้นก็ขันละเอียดนั่นละขันหยาบขันละเอียดขันประนีตเวลาเราได้ชั่นไปถึงจัดจุดชาชา้นชา้นสี จิตของเราจะว่างสว่างสวัยผ่องใสเป็นธรรมชาติรู้รูอยู่เฉยๆมีแต่ความสุขเขามาติดสุขส่วนมากมาติดสุขอยู่ในฌานสามนะติดสุขอยู่ในฌานฌานสามจะมีอารมณ์สองคือสุกขกับเอขัด ข, ดขดตาลมมีแต่สุขรู้รู้แล้วก็สุขอยู่อย่างเดียวคนจึงมาหลงฌานว่าเป็น ผมมโลกว่าเป็นพระนิพพานนะนี่แหละคนมาติดอยู่ในชาต น, นี้ต่อเมื่อชาตินี้มันเกิดยังไงชาติมันเกิดทางมโนทวารอย่างเดียวนะอารมณ์ที่ว่าสงบว่าว่างว่าสุขนั้นคือรูปภายนอกอารมณ์นั้นมโนคือรูปภายในมโนวิญญาณรู้ว่าสุกอย่างนั้นว่างอย่างนี้ ก็คือนามรูปภายนอกกับรูปภายในกระทบกันมโนวิญญาณเกิดขึ้นก็คือนามรูปกับนามก็คือขันห้าขันอันปณีตเกิดทางมโนทวารอย่างเดียวเมื่อเราเข้าสมาธิเลิกเลกมันสุขมันสบายแต่สมาธิหมดอายุของสมาธิมันก็ถอนออกมาอีก อ่า ม, มันถอนออกมาแสดงว่าสมาธินี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วมันเข้าได้ชั่วคู่ชั่วคราวเท่านั้นมันก็ถอนออกมาอีกสมาธิจึงตกอยู่ภายใต้กดใต้ลักยานเมื่อผู้ใดมาติดอยู่ในสมาธิเขาเรียกว่าอารมณม์โมกขานิจชานนะติดอยู่ในอารมณ์ฌานจึงเป็นสมาธิก็กลายเป็นวิปัสสนากิเลศ สมาธิหัวต่อติดอยู่ในฌานติดอยู่ในสมาธิติดสุขในสมาธินั่งตลอดวันก็ได้มันไม่เก็บไม่ปวดเมื่อจิตมันออกมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวมันจากขาขันห้าออกเรียกว่าเจโตวิมุตต์มันหลุดพ้นจากขันห้ามาชั่วคู่ชั่วคราวเท่านั้นมันก็ถอนออกเมื่อเรา มาเห็นว่าสมาธิก็ตกอยู่ภายใต้กฎใจลักยานคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเป็นสัมมาสมาธิไม่ได้ฌานรูปฌานก็เหมือนกันรูปฌานรูปฌานก็เหมือนกันถ้าใครไปติดอยู่ในอารมณ์นี้ก็เรียกว่าอารมณ์มโนปนิจจะฌานติดในอารมณ์ฌาน เห็นว่าชาญเป็นตนตนเป็นชาญชาญมีในตนตนมีในชานก็เรียกว่าติดอยู่ในขันห้าขันอันละเอียดขันอันประณีตจึงเวียนว่ายใจเกิดอยู่เหมือนเกา่าสามแดนโลกธาตุนี่กรรมมะโลกรูปโลกอ ร, ลกลรูปโลกนี่แหละรูปโลกนี่คือพรมมะโลกนี่อรูปโลกก็คืออรูปพรมนี่กามมะโลกก็คือขันหยาบหยาบขันสามขันมันกระซ้อนกันอยู่นี่เมื่อตราบใด เมื่อมาติดอยู่ในอารมณ์นี้ก็รูปราคานั่นละอารมมโนปนิจจานเมื่อว่าเห็นฌานเห็นฌานรูปฌานรูปฌานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเรียกว่าลักคนูปนิจฌานฌานยังตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจึงสละกามโลกรูปโลกอรูปโลกสามแดนโลกธาตุได้เพราะว่าสามโลกนี่หมุนอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตของเราจึงเบื่อหน่ายคลายความยินดีในกามโลกรูปโลกอรูปโลกจึงดีดพึง ออกไปอยู่โลกุตระภูมิได้อือนี่แหละตัวมานะก็อยู่นี่แหละตัวอวิชาก็อยู่นี่แหละอวิชาก็หลงว่าขั้นห้านี่แหละเป็นเราเราเป็นขั้นห้าอยู่นี่และมันไม่อยู่ที่ไหนเมื่อได้ชันก็มาหลงว่าชานันนี่เป็นเราเราเป็นชานชานมีอยู่ในเราเองจึงมาดับตัวมานะตัวอวิชาได้จิต ก, ก็หลุดพ้นก็เรียกว่า ดับขันห้าได้ดับขันห้าได้ดับสังขารได้ดับขันห้าได้ก็เข้าสู่พระนิพพานดับอวิชชาได้ตัวมานะอุทธจัจนี่ก็เป็นอันเดียวกันนะกับอวิชชาตัวอันพวกรูปโลกรูปโลกก็เป็นขันหยาบขันละเอียดถ้าเรามาพิจารณาเข้าใจอย่างนี้เราเห็นว่าตกอยู่ในกฏใจลักยาน ลักขณูวณิจฉานเป็นอนิจจังทุกครังอนัตตาอยู่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตของเราจึงหลุดพ้นจากขันห้าดับขันห้าได้ไม่ยินดีไม่ยินไล่เบือ่อหน่ายคายความยินดีดับไม่มีเหลือซึ่งขันห้าก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ยรติธรรมคือปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย คายความยินดีดับไม่มีเหลือซึ่งชาติชลามระณนะหรือดับไม่มีเหลือเบื่อหน่ายคายความยินดีดับไม่มีเหลือซึ่งขันหะก็อันเดียวกันแล้วไม่มีเกิดอีกดับความชาติชลาโมรณะนะก็อเดียวกันนี่แหละจิตของเราก็หลุดพน้นหลุดพ้นเป็นโลกุตตะ เอาถึงโลกุตละธรรมเหนือโลกทั้งสามก็เรียกว่าพระนิพพานนี่แล้ ว, วันนี้ก็พูดเรื่องมรซีพ้นซีนิพพานหนึ่งไปไปเลยพ้นซีไปมรซีพ้นซีก็เหลือตั้งแต่โลกุตละภูมิเรียกว่าพระนิพพานมีอันเดียวนิพพานหนึ่งว่ากั้น วันนี้ก็พูดให้ฟังพอเข้าใจตั้งแต่พระโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอาราหันต์ให้เราท่านทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติเดินมรรคไปเรื่อยๆมรรคขั้นตนพระโสดาบัน มรรคขันที่สองสกิทาคามีมรรคขันที่สามพานาคามีมรรคขันที่สีคือพาราหัน์หรือข่ายกิเลตก็ว่ามรรคเป็นเครื่องข่ายกิเลสมรรคเครื่องข่ายกิเลสได้แก่มรรคเปียดศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าเป็นคาราวาจะโยมก็ทานศีลภาวนา มันจะไปจบรอบกันที่ตรงภาวนานะ่นะสภาวนามันก็มีสมาธิกับวิปัสนานะพากันเอาไปสังโยชนสิบอย่างใครละสังโยชนสิบอย่างได้ก็ได้เป็นพระลหันเอาอะไรมาละเอามักมักคืออะไรอ่ามักมีองแปดเนี่ยนะคือศสียนสมาธิปัญญาเนี่ยนะนะ มาฆ่าเป็นอาวุธฆ่ากิเลสฆ่าสังโยชนสิบตายลงแล้วก็บรรุได้เป็นพลังหันเอาละเมีก็พูดมาให้ฟังพ่อได้นำไปเอาประกอบในการพิจารณาเดินปัญญาเวลาจิตออกจากสมาธิแล้วได้ให้มันบรรลุเอา ดังสแสดงมาก็สมควรใจเวลาเอวาง